بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل م ل ن ا إ ل ا م ا ع ل م ت ن َ ا إ ن ك َ أ ن ت ا ل ع ل ي م ا ل ح ك ي م ربشرح ا لي صدري و ي س ر لي أمري وأحل العقدة من لساني يبقى قول ي, ي اللهم ا ن ف ع ن ا بماعلمتنا وعلمنا ماينفعنا وأزدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا و إ ل م ت غ ف ر لنا وترحمنا ل ن ك و ن ن من الخاسرين ربنا آ ت ن ا من ل د ن ك رحمة ه ي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله سورة فاطر و นี้อายะที่18เป็นต้นไปนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تزروا زرة و, و ز ر أخرى وإن تدع مسقاة إلى حملها لا يحمل منه شيء، ولو كان ذا قربا. อَّ <ت ص في ق> م ัมัต ذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة و َمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ วَาَ يستوي الأعمى والبصير وللظلمات وللنور وللظل ولالحر วَา ا ا ا ะตัวอ و พยัตวลาَอมว ل ตอินนัลลาห์ย م สมิอَ ش ยิชา ว่ م ม ا อันตบมุสมิ่งมันในหลุอ่านหน้าเดียวนะครับแต่อธิบายเวลาเหลือเราก็อธิบายเพิ่มได้ ولا تزروا وزرة อิจรออัคราข ا อนี้เนี่ยอยู่ถัดมาจากอนี้ที่เราอ่านไปเมื่อสัปดาห์ท <laughs> ี่ผ่านมาที่บอกว่าเราจาเป็นต้องพึ่งอัลลอฮ์อ ه ยะห์อห์นัสอันทูมุลฟุการ่อุอ <laughs> ิลลลอฮวะลลาฮูวะลฺญนิยุลฮามีดอินยาเชยุธฮิบคุม و يأتي بخلق جديد وما ذلك อัลลอฮฺบิอซิเป็นข้อเท็จจริงในชีวิตในชีวิตของเรามีข้อเท็จจริงหลายๆอย่างเราลืมนะครับสิ่งที่เราลืมมากเลยก็คือมนุษย์ลืมว่าต้องพึ่งอัลลอฮฺอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งและเราก็ปฏิบัติตัวเหมือนกับเราไม่ต้องพึ่งพระองค์วันนี้เป็นอีกข้อเท็จจริงหนึ่งวนนเวลาจะรู้ ว่อเรีรัะอเป็นข้อเท็จจริงที่อัลลอฮอา ล, ะะลาบอกว่าชีวิตแต่ละชีวิตนั้นที่มีบาปชีวิตที่แบกบาปเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบตัวเองเขาไม่สามารถที่จะไปแบกบาปคนอื่นได้หรือไม่สามารถที่จะแบ่งบาปของตัวเองให้กับคนอื่นได้ยังไงครับ ใ น, ในคําแปลว่าอย่างไงไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นเชิงอัดเล็กหนึ่งข้างล่างนะไม่มีผู้กระทําผิดคนใดจะแบกความผิดของผู้อื่นได้คนอื่นทําผิดเราจะไปแบกบาปแทนเขาได้ไหมไม่ได้คนอื่นทําผิด แล้วจะโยนความผิดของเราของเขามาให้กับเราช่วยแบกแทนได้ไหมไม่ได้นี่เป็นข้อเท็จจริงนะครับทุกคนต้องรับผิดชอบในบาปของตัวเองทำไมเราแต่เราต้องพูดถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วยเพราะบางคนมีความหวังลึกๆว่าบาปที่ตัวเองทำเนี่ยพอถึงวันอาเคโรจะโยนให้คนอื่นมารับแทนนะถ้าเป็นในโลกดุนยาเนี่ย บางชา si. arella, ติบางเผ่าพันธุ์ใครที่ต mm ิด hmm. หนี <vor> ้สมมติติดหนี้พ่อติดหนี้ลูกมารับรับหนี้ของพ่อแทนไปจ่ายแทนแทนพ่อได้ก็เลยนึกว่าใช้มาตรฐานเดียวกันกับอัลลอฮฺซุบฮ์ฮฺนะอัลลลวันอาคราทำบุญับเต็มที่พอถึงวันอาคราเดี๋ยวให้คนอื่นช่วยมาช่วยมารับบาปแทน ไม่มีทุกคนจะต้องรับผิดชอบในตัวของเขาเองวะแล้วจะรู้ว่าจรรทุนวิจรอขระเพราะฉะนั้นเราจะไปแบกบาปของคนอื่นไม่มีทางว่อินตะดูมุสลาตุนอิลัฮิมลิฮะถ้าสมมติคนที่แบกบาปเยอะๆแล้วมีญาติบอกว่าเนี่ยมีลูกมีพ่อมีแม่มีคนรัก มีคนที่รู้จักมีเพื่อนสนิทจะขอให้เพื่อนสนิทมาช่วยเอาบาปของเธอเองแบ่งไปสักมีบาปเป็นล้านเอาแบ่งไปสักมือนหนึ่งแบ่งไปสักแสนหนึ่งให้เบาลงหน่อยทำได้ไหมและอยุบมลมิโนชัยอุนว่าเราแค่ในดากรบะแม้ว่าจะสนิทแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะมารับบาปแทนกันได้ตอนนั้นอัลลอสุลานาวาตั๋ลละอันนี้ในกรณีที่ แต่ละคนเนี่ยอยากจะช่วยแต่ถามว่าจริงๆแล้วในวันอัคิีรักนี้มีใครจะช่วยใครไหมถ้าเป็นในโลกโดุนียาเนี่ยเพื่อนพี่น้องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่ได้ไหมคนที่เป็นญาติคนที่เป็นคนที่รู้จักต้องไปช่วยต้องไปอะไรช่วยช่วยประกันช่วยจ่ายเงินช่วยทำนู่นทำนี่แทนให้อันนี้ในโลกโดุนียาหน้าสารมนุษย์ แต่น่านอัลลานไม่มีใครจะช่วยใครในอายอื่นอัลลอ่านะวอยายามาเยฟรุลมรพี่น้องจะหนีจากพี่น้อง วันที่ลูกจะหนีจากพ่อจากแม่วันที่คนรักจะหนีจากคนรักแต่ละคนยุ่งกับอยู่กับเรื่องของตัวเองไม่มีใครอยากจะช่วยใครมีแต่เราเนี่แหละที่อยากจะเอาบาปของเราไปให้เขาช่วยถือแต่ถามว่าทําได้ไหมทําไม่ได้อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นอยากคิดตอนมีชีวิตอยู่ในโลกโดรนี้นี่อยากคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวทาไป ทำนู่นทำนี่ไปเดี๋ยวสักวันมีคนมารับแทนจบไม่มีทุกคนต้องรับผิดชอบต่อบาปที่ตัวเองทากันเองละอิละฮะอิละลลอฮ์ในอายะที่อัลลอฮฺตรัสวายะ أيها าสมมติว่อยากไปช่วยไปช่วยไม่ได้อิ ไม่ใช่แค่ต้องก um ารให้คนอื่นช่วยไม่มีคนจะช่วยอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติอยากจะช่วยอะลูกอยากจะช่วยพ่อในวันอัคราช่วยไม่ได้ถ้าลราแต่ละไม่อนุญาตหรือพ่อจะช่วยลูกพ่อจะช่วยลูกก็ช่วยไม่ได้แล้ยัจีวะลีดุนอันวะลพ่อจะไปช่วยลูกในวันอัคราช่วยไม่ได้ลูกจะไปช่วยพ่อในวันอัคราก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราแต่ละไม่อนุยาเพราะฉะนั้น قد نبأرهم كك لا تزروا وزرة وزراء أخرى وإن تدع مسقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا صلّى الله على นี่เราต้องรู้ข้อเท็จจริงนี้นะเราจะได้ทาตัวถูกจะได้รู้ตัวเวลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยอย่าพยายามสรรหา บาปมาแบกเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบต่อบาปที่เราทำคนอื่นมันช่วยเราไม่ได้ยกเว้นในกรณีการให้แชฟอาตอันนี้ตอนที่มันจบไปแล้วทุกอย่างซึ่งยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้จะมีหรือไม่มีจะเกิดหรือไม่เกิดกฎเกณฑ์ทั่วไปก็คือทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นคาถามมันมีอายัดที่บอกว่า ว่าจะพลูนอาสกาลของมและอาสกาลแม้อาสกาลิมมีคนบางประเภทเนี่ยจะแบกบาปของตัวเองและก็แบกบาปของคนอื่นด้วยอันนี้เนี่ยหมายถึงบรรดาคนที่เป็นผู้นําความหลงผิดคนที่สอนคนอื่นให้หลงผิดคนที่เป็นผู้นํากูฟรแล้วทําให้คนอื่นหลงผิดตามตัวเองอันนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่า เขาไปรับบาปของลูกศิษย์ลูกหาบทั้งหลายมาเก็บไว้ที่ตัวเองหมดแล้วลูกศิษย์ลูกหาบก็จะไม่มีไม่มีบาปเหลืออีกไม่ใช่อันนี้นี่หมายถึงว่านอกจากตัวเองตัวเองจะต้องแบกบาปของตัวเองแล้วยังจะต้องได้รับบาปที่ไปทําให้คนอื่นหลงผิดด้วยเป็นการคูณสองซึ่งบาปที่ตัวเองต้องมาแบกเนี่ยไม่ได้แปลว่าไปลบบาปของลูกศิษย์ แต่อย่างใดไม่บาปของลูกศิษย์ก็ยังคงมีแต่ตัวเองต้องไปแบกเพิ่มมาจากลูกศิษย์เป็นการคูณโดยเฉพาะซึ่งบาปอันนี้เนี่ยไม่ใช่บาปของลูกศิษย์เป็นบาปของเขาเองนี่แหละเข้าใจาไหมครับไม่ได้แปลว่าอาวันนี้อาจารย์จะรับอ่พวกเธอไปทําบาปได้หมดเลยเดี๋ยวพอถึงวันอาคาัคราฉันจะรับไว้ที่ตัวฉันเองคนเดียวมีไหมแบบนี้ไม่มีอย่าเข้าใจาผิดนะไม่ไม่ไม่ได้แปลว่า อายักที่บอกว่าเราต้องคนที่ทำให้คนอื่นหลงผิดเขาจะต้องแบกบาปจากการที่ทำให้คนอื่นหลงผิดนั้นด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าไปลบบาปของคนที่ทำผิดนั้นแต่อย่างใดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนลูกศิษย์รอดอาจารย์ไม่รอดอยู่คนเดียวไม่ใช่นะทั้งสองพวกก็คือไม่รอดหมดอัอฮฺอับิลลฮอัลลอฮฺเละอลเลาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ดีเพราะว่ามันจะมีบาคาสอน ที่สอนว่ามีคนไถ่บาปให้มีคนช่วยอะไรนะมีคนซื้อบาปให้นะซื้อบาปนะทาบาปไปแล้วก็ามาซื้อใบไถ่ถอนบาปแล้วในวันอัคคีรักก็จะปลอดภัยซึ่งอะเกดิดาแบบนี้ไม่ใช่อา ก, กดิดาที่ถูกต้องล <c oughs> <c oughs> นีไม่ใช่ความิที่ถูกต้องตามหลักคําสอนอิสลามไม่ใช่เพวาะเราไม่มีควาลรดีแต่เพราะเรบไม่รู้จักศรัทธาในพระเจ้าแทจริงแล้วเจ้าเป็นคนที่ตักเตือนบรรดาผู้ที่ย่ำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาโดยเร้นลับ เป็กล yeah. ัวอัลลอ์นะคนที่มีจิตใจเกรงกลัวต่ออัลล์แะแม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นพระองค์คนเหล่านี้แหละที่จะได้รับประโยชน์จากใครครับจากการตักเตือนของท่านนบีสลต่าละฮอัาะหวะละเป็นคนที่ดารงการละเมอและผู้ที่มีความสุข سبحان الله อันนี้ฝ่ายที่ทําความดีบ้างท่อนแรกเนี่ยพูดถึงคนที่ทําชั่วใครทําชั่วก็ต้องแบกบาปของตัวเองไปคนที่ทําดีก็เป็นการทําดีให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนที่ยำเกรงแต่อลละคนที่ละหมาดคนที่ขัดเกลาตัวเองว่ามันจะแจ๊กกะหมายถึงคนที่ขัดเกลาตัวเองเวลาที่เราทําดีนี่ถามว่าเราทําดีแล้วมันจะได้ใครมันก็ได้ความดีที่ตัวเรานะครับ ปัญญามะยะตาแจกกเพราะฉะนั้นทั้งคนทําบาปทั้งคนทําดีล้วนแล้วแต่เป็นทั้งสิ้นทําบาปก็ได้กับตัวเองทําดีก็ได้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเลือกดูว่าจะอยู่ฝั่งไหนสุดท้ายจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าอิลัลลอฮิลมัซิดกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยคนที่ทําบาปกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วได้อะไร ได้ผ ล, ลบุญหรือว่าได้ผ ล, ลบาปก็ได้ผ ล, ลบาปในขณะที่คนที่ทำดีก็จะได้ผ ล, ลบุญนี่เป็นข้อเท็จจริงง่ายๆที่อรสาลาต้องการให้เราทราบและให้เราวางตัวให้ถูกเลือกให้ถูกว่าจะอยู่ตรงไหนว่าจะเลือกทำแบบไหนอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจที่ว่ามีคาพูดที่บอกว่าอะไรนะเอ่อ บาปเนี่ยเราจะให้คนอื่นแบกไม่ได้วิธีการที่จะทําให้บาปเนี่ยออกไปจากเราเนี่ยก็คือการทัสเกียเนี่ยว่ามันตาซักกาตาซักกาก็คือการขัดเกลวเหมือนกับอัลลอฮฺเราต้องการบอกว่าบาปของเราเนี่ยวิธีการที่จะให้มันออกไปจากตัวเราเนี่ยไม่ใช่โยนไปให้คนอื่นช่วยแบกไม่ใช่ วิธีการที่จะทำให้บาปออกจากตัวเรามีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือแต่เราต้องชำระเองแบกให้คนอื่นคนอื่นแบกให้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องชำระตัวของเราเองให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะถึงวันแก้มันอย่าปล่อยให้บาปของเราเต็มเต็มเต็มเต็มเต็มโดยที่ไม่พยายามจะชำระบาปเข้าใจไหมครับ แบ่งให้คนอื่นไม่ได้ที่ทําได้ก็คือเราต้องขจัดออกเองขจัดด้วยการ taskeer ว่ามัน t ั s ก k k a ใครที่ชําระตัวเองชําระให้พ้นจากอะไรชรําระให้พ้นจากบาปอินนะมะ yasakka li nasi แสดงว่าเขากําลังทําเพื่อตัวเองเพราะว่าบาปนี้ตัวเองเป็นคนรับผิดชอบอยู่คนเดียวต้องเข้าใจนะเป็นข้อเท็จจริงทีนี้ เริ่มประเด็นใหม่ประเด็นเรื่องนี้จบแล้วว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเองเราต้องพึ่งอัลลอ์แล้วเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองคนอื่นมาช่วยเราไม่ได้นี่ถ้าพูดในแง่ของบรรดาพวกมุชริกีนเนี่ยพวกมุชริกีนเนี่ยพึ่งใครก็พึ่งบรรดารูปปั้นพึ่งบรรดารูปเคารพสิ่งที่เขาชริกพระวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะมา ช่วยพวกเขาในวันเกียัติปรากฏว่าพอถึงวันเกียัติสิ่งเหล่านั้นก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นต้องจำเอาไว้นะครับว่าต้องพึ่องอัลลอฮฺสุบฮฺฮานวะตาตะอลาไม่ใช่ไม่ใช่ใชพึ่งสิ่งที่ตัวเองชีริกและในวันเกียาาตรติสิ่งที่ชีริกเหล่านั้นไม่ได้มาช่วยคนที่พวกเขานะคนที่เป็นอะไรนะเป็นผู้ที่กราบไหว้บูชาพวกเขาแต่อย่างใด แต่และคนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองทั้งสิ้นเป็นข้อเท็จริงที่จบไปในประเด็นนั้นมาถึงประเด็นใหม่ระหว่างคนที่ทำดีกับคนที่ทำบาปเนี่ยพระตาลยกอุทาหอนให้เห็นว่ามันไม่เท่ากันระหว่างคนที่แบกบาปกับคนที่แบกบุญระหว่างผู้ศรัทธาและระหว่างคนกาเสรเนี่ยมันไม่เท่ากัน ไม่เท่ากันยังไงว่ามาจวิลอมาวัลบซีคนที่ตาบอดกับคนที่ตาดีเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคนที่ตาบอดก็คือบรรดาคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับอัลลอฮ์ س ب ح ะคนที่ไม่รู้จักอัลล์คนที่ตาดีก็คือคนที่าหาความรู้ คนที่ศักดิทธิ์อัลลอฮฺ س ب ะรู้จักอัลลอฮฺ سبحانه และวความมืดและแสงสว่างเท่ากันไหความมืดคืออะไรความมืดก็คือกูฟอรอนี่คือความมืดแสงสว่างคืออะไรแสงสว่างก็คืออิสลามคือเอลมูคือความรู้ที่ทาให้มนุษย์นั้นรู้จักอัลลอฮุ س ب ح ا ن ะไม่เท่ากัน ว่าละ ظل ว่าละ الحرور อัล ظلم ะเนไม่ถึงก ah. ุฟอร์นูรก็หมายถึงอีมา ن ไม่ถึงความศักดิ์สิทธิ์อล ظل ร่มเงาอัล حرور ความร้อนแบดที่ร้อนลมที่ร้อนเท่ากันไหมไม่เท่ากันร่มเงาก็คือสวรรค์ลมที่ร้อนก็คือนรก คนอายาโซเบลลาฮิมันซาลิกเพราะฉะนั้นไม่เท่ากันอันนี้เป็นภาพที่เราสามารถเห็นในโลกดุนียคนตาบอดกับคนตาดีไม่เท่ากันความมืดกับแสงสว่างไม่เท่ากันร่มเงากับลมร้อนไม่เท่ากันวรรณยตวียาอูว่าคนที่มีชีวิตกับคนที่ตายก็ไม่เท่ากันแต่คนที่มีชีวิตก็คือมีชีวิตด้วยกวารรู้จักอัลลอ์ด้วยการศรัทธาต่ออัลล์ คนที่ตายก็คือคนที่ตายแม้ว่ามีชีวิตอยู่แต่เรียกว่าคนตายได้นั่นก็คือคนที่ไม่มีอีมัมคนที่ไม่มีอิสลามคนที่ไม่มีอิมานต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนคนตายย่อมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าผู้ศรัทธาที่มีอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คนที่แสวงหาความรู้ที่จะให้รู้จักอัลลอฮ์ได้ทําความดีเพื่ออัลลอ เตรียมตัวเพื่อวันอาคีรอกับคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาไปวันวันไม่ได้แสวงหาความรู้เกี่ยวกับอัลลอฮ์ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หมดไปแล้วหนึ่งวันก็หมดไปอีก่หมดไปแล้วหมดไปผ่านไปแล้วผ่านไปโดยที่หัวใจไม่ได้ทําอะไรเลยเกี่ยวกับการใคร้ครวญชีวิตของตัวเองในโลกดุนยานี้ย่อมไม่เท่ากันอินนัลลอฮยุสมีอู มันยาชะอัลลอฮ์นั้นส่งให้ได้ยินกับบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์คำว่าส่งให้ได้ยินตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าส่งให้ฮิดายัก์นะคนที่จะได้รับฮิดายักษ์จากอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ก็คือคนที่มีชีวิตหัวใจที่มีชีวิตหัวใจที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะอัสาดีบอกว่า อินนั่ลลอฮ่าอุ้ยสัมผัวเข้าใจฟังแล้วยอมรับนะไม่ใช่ว่าฟังแล้วถ้าฟังไม่เข้าใจถ้าไม่ฟังไม่ถ้าไม่ฟังแต่แรกก็อยู่ในพวกหูหนวกตาบอดอยู่แล้วแต่ถ้าฟังแล้วไม่ทําความเข้าใจไม่ยอมรับสิ่งที่อัลลอฮฺตะลาบอก มมีค่าเท่ากันนะครับเหมือนกับคนตาย وما أنت بمستمع من في القبور أي أموات القلوب. Allah Taala เปรียบเทียบบรรดาคนที่มีหัวใจที่ตายตายด้านไม่รับฟังห i d a y a จากพระองล์ a l ไม่รับฟังคานตักเตือนจากท่านนบีสุลต่านละเหมือนบรรดาพวกมุชลิกีเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนกับบรรดา ศพที่อยู่ในหลุมฝังศพคนเหล่านี้เวลาที่เราพูดอะไรกับเขาเขาทำอะไรไหมนะเขารุกขึ้นมาไหมเราเรียกเขาเขารุกขึ้นมาไหมนะเราปลุกเขาเขาตื่นไหมไหมไม่ตื่นเหมือนกันเลยนะครับคนที่มีหัวใจตายได้ก็คือคนที่เหมือนเป็นศพนั่นแหละแต่ที่อุลามะบางท่านบอกว่า อคนที่เป็นศพเดินได้คําว่าศพเดินได้ตรงนี้เนี่ยเป็นการอุปมาอุปไมยไม่ได้แปลว่าศพแล้วเดินได้จริงๆแต่หมายถึงว่าไม่มีชีวิตชีวาไม่มี إيمان ไม่มีความศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa Taala เพราะฉะนั้นท่านนาบีสุลลัลละฮ์อะละัยฮิสแลมเนี่ยรับคาําสั่งจาก Allah Taala ให้มาทําหน้าที่ตักเตือนกับใครกับคนที่หัวใจยังไม่ตาย ถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์จากการตักเตือนของอัลกุรอานรับประโยชน์จากการตักเตือนของท่านนาบีสุลตลฮอะลัยฮลมต้องทาให้หัวใจมีชีวิตถ้าหัวใจไม่มีชีวิตไม่มีทางที่จะได้รับประโยชน์จากการตักเตือนและการด่าวของท่านรอซูลซุลต่าละฮ์อะลัยฮุอัสสลามอาม وات ุลกลุบ บรรดาคนที่ตายในหัวใจของพวกเขาเอาคำอันนดูอาอั卡尔่ายุฟิดุสุขะนหลุมศพเ كذلك ลายุฟิดุลมูอริตลมูอฺานดคนที่ตายไปแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปด่าว่าเขาหรือไปเรียกร้องให้เขารับอิสลามสมมติตายไปในสภาพกฟุฟรไปบอกให้เขาว่ากล่าวลาอ ال ิลลาอิลลอหเนี่ยเขา จะกล่าวได้อีกไหมอ่ะมีประโยชน์อีกไหมอ่ะไม่มีทางเพราะฉะนั้นเหมือนกับคนที่ละตะละประทับตราบนหัวใจของพวกเขาแล้วคนพวกนี้เป็นพวกที่หัวใจมันตายด้านเหมือนบรรดาพวกมุชริกีนในสมัยของท่านดบีสุลลัลฮ์สัลลัลลอฮที่ละตะละประทับตราัมลลบบิเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวก็คือหัวใจที่ตายด้าน แทํำยังไงอย่าให้หัวใจของเราตายด้านเวลาที่รับฟังคําตักเตือนคําชี้แจงจากอัลลอฮ์สุลตานอวตารละให้เช็คดูว่าหัวใจของเราเป็นยังไงะถ้าเป็นหัวใจของบรรดาผู้ศรัท ธ, ธามันจะต้องมีเ้าเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นเข็มเข็มวัดกระแสไฟฟ้าเวลาที่จะวัดกระแสไฟฟ้าเวลาไปจิ้มที่สายไฟฟ้าถ้ามันมีไฟนี่เข็มมันเป็นยังไงเข็มมันต้องเคลื่อนเข็มมันต้องขยับ นะถ้าไปจิ้มแล้วเน็ตเข็มไม่ขยับแสดงว่าไม่มีไฟฟ้าอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังให้ดีนะนี่แหละที่ต้องดูแล إ ي م านให้ดีนะอิมานของเราเนี่ยเหมือนเหมือนกระแสะไฟฟ้านั่นแหละนะถ้ามันได้ยินปุ๊บมันต้องมีปฏิกิริยาอินนามัลมุเอมินูนอัลลัต uh ิน่าอีดะดุคีรอัลลอฮูวาจิลัตคุลุบุ พุสสะถาที่แท้จริงก็คือเวลาที่ได้ยินเรื่องราวของลอสุบานเอ า, าละหัวใจมันจะสะทกสัตยานบางทีเราก็กลัวเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยไม่ต้องไปเช็คคนอื่ น, นเช็คคนอื่นเนี่ยโอ้โหเก่งจังเวลาที่เช็คคนอื่นนี่เช็คเก่งจังแต่เวลาเช็คด้วเองเช็คไม่เป็นเช็คไม่เป็นลาอิลาฮ์อิลล allah หัวใจตายได้เกิดได้ยังไงบ้างครับใครพอทราบบ้าง อะไรบ้างที่ทำให้หัวใจตายด้านอ่าสาเหตุที่ทำให้หัวใจตายด้านก็คือข้างบนเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องบาปต่างๆพูดถึงการละเลยไม่ยอมตะเกียะตตัวเองนั่นและคือการที่ทำให้หัวใจตายด้านหัวใจตายด้านด้วยบาปที่สะสมทุกครั้งที่เราทำบาปมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ต้องเตือนกันบ่อยๆ ตเตือนกันบ่อยๆแล้วอย่าอย่าเบื่อที่จะเตือนกันอย่างนี้นะเวลาที่มีพี่น้องบอกว่าช่วยเตือนกันหน่อยเนี่ยเราไม่รู้จะเตือนอะไรก็เตือนกันเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องเบสิกธรรมดาแต่มีความสําคัญมากในชีวิตของเราบางทีคนที่เตือนบ่อยๆอย่างคนที่เป็นอาจารย์เป็นโตครูพวนี้เตือนแต่คนอื่นเป็นอย่างเดียวไ ม, ไม่ไม่มีคนอื่นมาเตือนให้เลยทีบางทีก็ต้องการคําตักเตือนจากคนอื่นด้วย ไม่ต้องเตือนเรื่องใหญ่ๆโตๆหรอกเรื่องเอาเรื่องเล็กๆอย่างนี้แหละละอิละลอทุกคนกันเป็นมนุษย์กันหมดนะมนุษย์นี่ไม่มีทางที่จะพ้นบาเปเตือนกันเถอะมีคําพูดที่น่าสนใจมากน ะ, ะจากอัลามฮบางท่านบอกว่ามโมมินกับมโมมินเนี่ยเหมือนมือสองข้างผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยเหมือนมือสองข้างมือสองข้างเนี่ยเวลาล้างมือเนี่ยมันต้องใช้ทั้งสองข้างนะ แม้ว่าข้างใดข้างนึงจะสกระปรกสมมติมีแต่ข้างซ้ายที่สกกระปเวลาล้างมือเราเอามือซ้ายไปจ อ, อยังเดียวมันจะสะอาดไหมไม่สะอาดมันต้องเอามือขวามามาช่วยล้างและบางทีต้องถูต้องใช้แรงในการถูเนี่ยต้องขยี้ขยี้นี่เจ็บไหมเจ็บถูนี่เจ็บแต่ขยี้เจ็บเจ็บยังไงแต่มือมันมันสะอาด มันนุ่มขึ้นมันสะอาดขึ้นจากการถูเพราะฉะนั้นการตักเตือนบางทีมันก็เจ็บแต่ทําให้หัวใจมันมันสะอาดาต้องมีกระบวนการตักเตือนไม่ให้หัวใจตายด้านสุภาพบุรุษาบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าหัวใจของเราตายด้านเวลาไหนเพราะว่าบาปที่เราทาเนี่ยเราทําทุกวันซาลัลลอฮอตุลอลลอฮอตุลฮะน่า ก, า, า, ากลัวมากนะครับประเด็นเรื่องหัวใจตายด้านเนี่ย เป็นสิ่งที่ถ้ามันตายด้านจริงๆที่เรากลัวที่สุดก็คือเอาโต๊ะครูระดับหนึ่งในโลกมาให้โอวาดมันก็ไม่ไปเนี่ยลัตกลาบอกเองว่าอันแทบิมุสมอินมันฟิกูบูรท่านนบีก็ไม่สามารถให้ฮิดายะคนที่ตายไปแล้วคนที่หัวใจตายไปแล้วเนี่ยถึงเป็นมุฮัมมัดสุลลัลฮ์อะไรวะซัลลัม ละตัลลาก็บอกว่าไม่มีทางที่จะให้คนคนนั้นด้นกลับคืนมาได้ถ้าหัวใจของเขาละตัลละ ก, กำหนดไปแล้วว่าเป็นหัวใจที่ตายด้านอัลลอฮฺุสุบิลละให้มันตายเห็นไหมอายัตต่อมาที่เราไม่ได้อ่านเมื่อกี้นะครับเราอ่านต่อไปเลยอธิบายต่อละตัลละบอกว่าอินอันตะอิลลานาจิเจ้าอมัมมัด ไม่ได้เป็นผู้ใดนอกจากเป็นผู้ที่ให้คำเตือนเท่านั้นให้คำเตือนเท่านั้นแต่จะไปให้ฮิดายัดไม่ได้ละอิลาห์อิล allah อินนาอัลสลนะกะบิลฮะคีบาชีรอนวนารีรอเราส่งเจ้ามาด้วยศัจธรรมเพื่อให้เป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้ตักเตือนแจ้งข่าวร้ายบาชีรแจ้งข่าวดีด้วยสวรรค์ นทีเตือนให้กลัวนรกนะบาชีตเนี่ยนั่นแหละมันต้องมีทั้งสองอย่างต้องมีทั้งข่าวดีและต้องมีทั้งข่าวร้ายต้องมีทั้งความหวงและต้องมีทั้งความกลัวต้องมีความกลัวด้วยต้องมีความหวังด้วยแจ้งข่าวร้ายเพื่อให้กลัวความกลัวจะทำให้มนุษย์หยุดทำบา แจ้งข่าวดีเพื่อให้มนุษย์มีกำลังใจมีความหวังเวลาที่มนุษย์มีความหวังมีกำลังใจก็จะกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำดีเป็นหน้าที่ที่แตกต่างกันความกลัวทำให้หยุดแต่ถ้ากลัวกลัวกลัวกลัวัวมันจะหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ยอมทำอะไร <laughs> ไไเพราะฉะนั้นหยุดแล้วเนี่ยต้องต้องอะไรนะ ต้องตื่นขึ้นมาทําด้วยก็ต้องม <medim> <ps> ีความหวังมาตรรีบตรรีบตรรีบต้องมีทั้งสองอย่างต้องมีทั้งบัชีรและต้องมีทั้งนารีตต้องมีทั้งความกลัวเพื่อให้หยุดทําบาปและต้องมีทั้งความหวังเพื่อกระตุ้นให้เราทําดีความหวังคือยังไงความหวังเหมือนกับเทวรัตลาบอกว่าฟะมังแกนยารจุลีคออารับฟะลย์อัมลอัมลันซาลิ حة วละยุริก์ใน ع ب ا ะติรับบิฮอดะอ้ตอนท้ายขาสุรุตุลเคหฟใครก็ตามที่หวังอยากจะเจอ a l l อยู่เฉยๆไหมไม่ใช่ฟัลย์ัลมลัลิฮะให้เขาทาความดีถ้าอยากจะเจอ Allah อยากจะได้รับผลบุญอยากจะเข้าสวรรค์ของล l a h ต้องลงมือทาความดีวละยุศริก์ในะติรบบิฮอเดะละต้องไม่ทาชริกต่อะค ه ะ นี่คือหน้าที่ของใครครับของท่านนาบีสุลต่าละฮ์อะลัยอซัลลัมมาเป็นผู้ให้ข่าวดีพูดเกี่ยวกับสวรรค์และให้ข่าวร้ายเตือนให้เรารู้ถึงการลงโทษของ Allah ซุลตานะวะตัาลา๋ลลัในนรกซึ่งหน้าที่นี้ไม่ใช่หน้าที่ที่ท่านนาบีมาทาอยู่คนเดียวเป็นหน้าที่ที่บรรดา น, นับบีก่อนหน้านี้ก็เคยผ่านมา ก, ก่อนแล้ว و อิมม م มินอั مة อิลลั่ห์ขลาฟีฮานาฟิใด <ير> ไม่มีประช า, ะ ช, าชาติใดในอดีตเว้นแต่จะต้องมีผู้ตักเตือนถูกส่งมายังพวกเขาทั้งสิ้นสุ ح ا ن นัลลอฮ์อัลลอฮอักบัรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเท็จจริงหนึ่งข้อเท็จจริงที่บอกเราว่า เราจะต้องตามท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฯนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ตักเตือนสําหรับประชาชาติยุคสุดท้ายถ้าอยากจะรอดพ้นก็ต้องฟังสิ่งที่ท่านนํามาบอกสิ่งที่ท่านนํามาเตือนซึ่งไม่ได้มีแค่คนที่ในโลกนี้ไม่ได้มีเฉพาะคนที่ศรัทธามีคนที่ไม่ศรัทธาด้วยท่านนาบีสลลัลฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอซูวันแรกที่ท่านออกมาด่าว่าให้คนฟังท่านเนี่ยคนฟังกับคนไม่ฟังนี่อันไหนเยอะกว่าสุบห้านัลล่ละนะคนไม่ฟังเยอะกว่าคนไม่ตามเยอะกว่านะสิบสามปีที่มหาคนครมักกะก่อนที่จะอพยพไปมาดินาเนี่ยด่าว่าสิบสามปีเนี่ยคนฟังกี่คนคนฟังตรงนี้ไม่ยถึว่าคนที่ฟังแล้วรับ เป็นผู้ศรัทธานในกี่คนพกเราลองจินตนาการดูสิว่าสิบสามปีนี่น่าจะได้สักกี่คน mm. เลขหลักดิเลขหลักเท่าไหร่ดีอะหลักสิบก็น้อยไปก็ <c oughs> หลักร้อยก็แล้วกันหลักร้อยแต่ไม่เกินสองร้อยร้อยกว่ากว่าสุบฮานั่ะเอาไปหารกับสิบสามเนี่ยตกประมาณปีละ สิบคนสิบคนน่ะและ อ, ล า, อ, ล, าอลาละอิลัละปีนั้นะสิบคนที่เหลือเป็นยังไงไม่ฟังไม่ศรัทธาแล้วอยู่ยังไงก็นี่ไงทำร้ายท่านนาบีสุลต์สลัมต่างๆนั้นนะกล่าวหาต่างๆนั้นนะโจมตีต่างๆนั้นนะที่น้องลองคิดดูสิว่าสิบสามปีกับการทำหน้าที่ในการเชิญชวนเอาของดีมาให้ ด้วยความปราถนาดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มชนของตัวเองทำกับเขาอย่างนั้นเนี่ยความรู้สึกมันจะเป็นยังไงถ้าเป็นเราเราจะเป็นยังไงคนไม่ฟังเราทาั้งๆที่ก่อนหน้านี้ในมักกะเนี่ยไม่มีใครที่ปฏิเสธมุฮัมมัดสุลตล่ลานสักคนนึ่งวันที่ท่านขึ้นไปบนเขาซอฟาท่านก็ถามก่อนถามว่าถ้าสมมุติฉันจะบอกว่าเบื้องหลังภูเขาเนี่ยนะ มีกองทัพที่กำลังจะโจมตีนครมักกะมีใครจะบอกว่าไม่เชื่อบ้างไหมที่นั่งฟังอยู่ทั้งหมดนี่ไม่มีใครบอกว่าไม่เชื่อทุกคนต่างบอกว่าเราไม่เคยเห็นเจ้าโกหกโอ้โมฮัมมัดไม่มีใครบอกว่าไม่เชื่อม่โมฮัมมัดคืออัลอามีนโมฮัมมัดคือผู้ที่มีศัจจิในหมู่ชาวมักกะไม่เคยพูดโกหกทุกคนเชื่อว่ามฮัมมัดไม่เคยพูดโกหก ก่อนหน้า น, นี้แต่หลังจากที่ท่านนาบีบอกว่าะอินนามะอานาดีรอนใบนะอะไรนะฉันเนี่ยเป็นผู้ตักเตือนเจ้าไม่ใ น, ในยาดอาซาบป็อาซีมเอาคำมากรอะไรสละตัวสล ะ, ะท่านนาบีฉันเนี่ยเป็นผู้เตือนเจ้าให้กลัววันอาคีรักที่กำลังจะมาถึงแค่นั้นแหละไอคนที่ยกมือบอกว่าเจ้าไม่เคยโกหกนี่เป็นยังไงเสียงเป็นยังไง <laughs> เสียงแตกหมดแล้ว แล้วคนที่ลุกขึ้นมาด่าตอนหน้าเลยคือใครอบูลาคับซึ่งเป็นลุงของตัวเอง้อลลนมาว่าทบบ ล, ลักซ า, าอิรอัลยามอะลิฮหราจะมาทะ่นะ้นทบบบบันนี่แปลว่าอะไรเหมือนตบหน้าเลยับหายนะไอ้ถ้าเป็นภาษาแรงๆก็คือไอ ว่าไปแลวไอ้อะไรข้างหลังนั้นว่าท่านนบีว่าหลานของตัวเองอ่ะภาษามลายะอาจจะใช้คำว่าไอไอเจลากอเจลากราษาทยแปลว่าอะไรไอลูกทรพีหรือไออะไรไอเป็นคำหยาบนะทับบันนั่นแหละที่เป็นที่มาที่ไปของสุรทับบัตยาดออาบีละฮะเปนวะเตบ เรากําลังจะพูดถึงความรู้สึกของท่านนบีสโลลลาะฮ์วราฉัลลัล13ปี <laughs> แต่คนที่ฟังท่านร้อยกว่าคนอัลลอฮฺตะละก็เลยต้องปลอบใจว่าไม่ต้องเป็นห่วงหน้าที่ของเจ้าคืออะไรเตือนคนจะฟังหรือไม่ฟังไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าแล้วเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺสุบฮานาะลอตะละคนที่ฟังอัลลอฮฺตะละก็จะทําหน้าที่ของพระองค์ในการให้ผลบุญคนที่ไม่ฟัง <laughs> อัลลอฮฺตะละก็จะทําหน้าที่ของพระองะคะ์ในการในการลงโทษในวันอัคยร เจ้ามีหน้าที่ในการเผยแพร่ก็จงทำให้ดีนะแล้วไม่มีเจ้าไม่ใช่แค่เจ้าคนเดียวที่ต้องเจอกับสภาพเหตุการณ์แบบนี้ว่าอินยุคัซิบคะกดคัซบลลีนนกับลฮมถ้าคนเหล่านั้นปฏิเสธเจ้าโ อ, ม د, อ้มุฮัมมัดอายาที่สิบห้า ف คบลลีนนอกับลฮมแน่นอนบรรดาคนก่อนหน้านี้ก็เคยปฏิเสธรอสูลของพวกเขามาก่อนแล้ว นบีนุ่ไม่ใช่แค่สิบสามปีมากกว่าท่านนบีสุลต่ญญานอัลลอฮฺอัสสลามอีกโอ้โหเก้าร้อยห้าสิบปีไม่ถึงร้อยนะคนที่รับรับศรัทธาต่อนบีนุ่นี่ไม่ถึงร้อยไม่ถึงสิบด้วยซ้ําน้อยมากเก้าร้อยห้าสิบปียาอือบฮาอัลลอฮฺนบีฮุดก็เช่นเดียวกันนบีอิบรอฮิมกี่คนรู้นบอิบรอฮิมไม่มีใครเลยนอกจากหลานหนึ่งคน อ่านบีลูตนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องหนึ่งคนหลานว่าลูกพี่ลูกน้องน่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องอ่ออะไรน่ะลูกพี่ลูกน้องไม่รู้แหละแต่ก็คืนนั่นแหละไม่ลูกพี่ลูกน้องก็เป็นหลานแล้วก็มีครอบครัวภรรยาสองคนกับลูกน่ะคนอื่นก็ س ุ ح ا าอัลลอฮ์ละอิล่าฮะอิลลอฮ์ส่วนน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นเจ้าอูบามาดไม่ต้องกังวลเจ้านี้เยอะแล้วร้อยี่สิบกว่าคนนี่เยอะแล้วแหละถ้าเปเทียบกับนบีก่อนหน้านี้เนี่ยคนอื่นคนอื่นน้อยกว่าเจ้าอีกแล้วไมใ่ใช่แค่นั้นนะว่าวท่านนาบีสลุสลต่านอับดุลยุบไ ป, ปที่มดินนะเป็นยังไงสอฮาบก็เริ่มรับอิสลามน่าสนใจมากการเรียบเรียงนะสุโร ح, สุโรสใน Al uran, สอัลกุรอานสุโรสอิซาจาเนี่ยอยู่ติดกับสุโรตับบัตยาดาเลยตับบัตยาดาเนี่ยก็บบยาายคือตอนมักกะ แต่อิซาจาเนี่ยก็คือตอนมาดีนะอิซาจาอนุสรุลลอวลฟัตนการเปิดมาถึงแล้วเนี่ยผู้คนรับอิสลามหลั่งไหลกันเข้ามาวันที่ท่านนบีกลับเข้ามาทำฮัจญ์เนี่ยบรรดาผู้ศรัทธามีจำนวนแสนกว่าคนแสนสอง0มื่นกว่าคนนะถ้าจำไม่ผิดประมาณ น, นั้นซึ่งกี่เท่าจากหนึ่งรอ่ะนะเป็นกี่เท่าอ่ะจากหนึ่งรกลายเป็นหนึ่งแสนี่กี่เท่าอ่ะมื่นเท่าในะเวลาแค่ สิปีมาดีนะนี่แค่สิบปีแต่ได้มาเป็นแสนในขณะที่มักการนั้นสิบสาปีได้มาแค่ร้อยกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจหมายถึงว่าตอนที่อยู่ที่มักการนี่ท่านนัลเสียใจอย่างนู้นอย่างนี้รัตาลาบอกไม่ต้องเสียใจชัยชนะของเจ้าอยู่ที่มาดีนะอันใกล้นี้อินชาอัลลอฮซุบฮฮนะตะอัลละนะ جاءتهم ในสมัยอดีตนั้น มีทั้งมอกจี zar al b y น n a ก็คือมอจิ z อ่าวัซซุบุรไม่ถึงคำภีนะคำภีตรงนี้อัซซุบุเนี่ยใช้กับคำภีที่เป็นการตักเตือนนะอัลกิาเนี่ยก็คือคำพีเหมือนกันแต่เป็นคำพีที่ระบุ บ, บทบัญญัติการละหมาด ก, การถือศีลอดการซอดาก็คำพีที่มีบทบัญญัติอัซซุบุรเป็นคำพีที่มี พวกมรารยาทพวกการตักเตือนพวกบทเรียนต่างๆอันนี้เรียกว่าซูบุตรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมกจิาตไม่ว่าจะเป็นซูบุตรไม่ว่าจะเป็นคําคีที่มีบทบัญญัติรอซูลทั้งหมดก่อนหน้านี้เอามาตักเตือนประชาชิของตัวเองหมดแล้วแต่วพวกเขาก็ไม่ฟังซุ่มอะอัลตุลเลดีนะกะฟารุแล้วเราก็ได้ลงโทษบรรดาคนกาเฟรเหล่านั้นฟะคีฟะคานะนักี เป็นยังไงบ้างเวลาที่อัละะลาฮฺอัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาพวกเจ้าก็เห็นผลลัพธ์แล้วพวกนบีนู่นเป็นยังไงพวกนบีพูดเป็นยังไงแต่ละกลุ่มชนในอดีตก่อนหน้าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเสียใจเวลาจะแถบนับสุคะไลฮิมฮัสซารัตตอนหน้านี้อัละะลอฮฺบอกแล้วไม่ต้องไปเสียใจกับสภาพของบรรดาคนที่ไม่ยอมฟังแต่ให้เจ้าทําหน้าที่ของเจ้าให้ดีก็แล้วกัน อินชาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เดี๋ยวจะกลับไปพูดถึงความยิ่งใหญ่ของล่อง سبحانه และ تعالى ในอีกหลายๆเรื่องที่เป็นรูบบิยาของพระองค์นะครับอัลลอฮ์ تعالىعلم وفقاً الله إياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمدٰنا على آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أ م ا ي َ س ف و ن و س ل ا م ٌ ل ل م ر س ل ي ن ا ل ح م د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن السلام عليكم ورحمة الله وبركات